ในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงประสบการณ์สยองขวัญที่มีผู้คนมากมายได้พบเจอกับมันต้องอกสั่นขวัญผวากับความสยองที่พวกเขาได้พบว่ามันคือลางร้ายมันคือความพยาบาท เพียงแต่ทำไมมันถึงต้องออกอารวาดไล่หลอกหลอนผู้คนไปทั่วแบบนี้ถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสออกไปขับรถเล่นบนถนนของประเทศอินโดนีเซียในยามค่ำคืนแล้วอยู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างกระโดดออกมาจากข้างทางตัดหน้ารถที่คุณกำลังขับอยู่ จนทำให้คุณต้องเหยียบเบรกกันจนตัวโกงแล้วล่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าเจ้าสิ่งที่ทำให้เราต้องเกือบจะประสบอุบัติเหตุนั้นมันใช่โพคองหรือเปล่าโพคองที่ว่านี้ก็คือผีชนิดหนึ่งค่ะที่เที่ยวออกมาหลอกหลอนผู้คนด้วยรูปลักษณ์ของศพคนตายที่ถูกห่อด้วยผ้าลินินสีขาวใบหน้าเขียวคล้ำเน่าเฟะดวงตาทั้งสองข้างลึกกลวงโบและจุดสังเกตที่ทาให้เรามั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่มันคือโพลของแน่ๆก็คือนอกจากมันจะถูกห่อด้วยผ้าขาวแล้วที่บริเวณศีรษะแล้วก็ลำคอแล้วก็ปลายเท้าของมันก็จะมีเชือกมัดตราสังเอาไว้ที่จุดดังกล่าวอย่างแน่นหนานะคะ แท้ที่จริงแล้วคำว่าโพคงในภาษาของชาวอินโดนีเซียก็หมายถึงผ้าขาวที่ไว้ใช้สำหรับห่อศพของคนตายก่อนที่จะนำไปฝังในสุสานของชาวมุสลิมส่วนพิธีกรรมการใช้เชือกมัดไปตามจุดทั้งสาของศพนั้นก็เพื่อไม่ให้วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างไปไหนก่อนที่จะถึงเวลาโดยพิธีกรรมนี้มันก็จะมาจากความเชื่อกันว่า หลังจากที่คนเราได้เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของพวกเขาก็จะสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ต่อได้อีก40วันค่ะเมื่อครบกำหนดแล้วถ้าเชือกที่มัดไว้คลายตัวออกวิญญาณก็จะสามารถออกเดินทางไปยังโลกหน้าได้นั่นเอง เพียงแต่ว่าถ้าครบ40วันแล้วเชือกที่มัดไว้บริเวณศีรษะของผู้ตายไม่คลายออกมาแล้วก็ศพนั้นก็จะกลายเป็นผีโพคองกระโดดขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วก็เริ่มออกอลาวาสเที่ยวหลอกหลอนผู้คนที่เดินไปมาในเวลาค่ำคืนสาเหตุที่โพคองมันต้องกระโดดไปมานั้นก็เป็นเพราะว่าเชือกที่ถูกมัดอยู่บริเวณปลายเท้าทาให้มันไม่สามารถเดินได้ปกติ มันก็เลยต้องใช้วิธีการกระโดดแทนการเดินนั่นเองค่ะโดยการกระโดดแต่ละครั้งมันสามารถเดินทางได้ไกลามากกว่า40เมตรเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเจอผีโพคองกระโดดตามหลังมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะสามารถหลบหนีจากการกระโดดตามหลังของมันได้พ้นพฤติกรรมของผีโพคองนั้นมันจะกระโดดไปมาตามถนนในแหล่งชุมชนยามค่าคืน โดยมันจะคอยสอดส่องหาอะไรบางอย่างที่มันเชื่อนะคะว่าสิ่งนั้นจะสามารถช่วยเหลือมันให้พ้นจากสภาพอันน่าทุกเขเวทนานี้ได้นั่นก็คือใครสักคนที่มีความกล้ามากพอที่จะช่วยเหลือปลดปล่อยวิญญาณของพวกมันให้พ้นจากพันธนาการนั้นได้ เพียงแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะสามารถตั้งสติไม่ให้หวาดกลัวกับสภาพอันเน่าเฟะแล้วก็กลิ่นสาบสางอันรุนแรงที่เกิดจากการย่อยสลายร่างกายหลังความตายของพวกมัน ก็ล้วนตัดสินใจวิ่งหนีกันจนป่าราบนะคะเพราะว่ากลัวมันจะตามมาทําร้ายหรือไม่ก็กลัวตัวเองหัวใจวายตายไปซะก่อนนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่ผีโพคองเจอกับใครสักคนหนึ่งเข้ามันก็จะรอจังหวะเหมาะๆค่ะจากนั้นมันก็จะกระโดดตามหลังเหยื่อผู้โชคร้ายคนนั้นไปเรื่อยๆโดยมันจะกระโดดตามไปจนกว่าเราจะรู้ตัวและเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีผีโพคองกระโดดตามหลังมาแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นล่ะคะ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะสาม า, e ร, ารถบรรยายความรู้สึกของการถูกผีโพคงกระโดดตามหลังได้อย่างชัดเจนมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถจะบรรยายความรู้สึกของการถูกผีโพคงกระโดดตามหลังได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องราวของเด็กหญิงชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ปกติแล้วชีวิตประจำวันของเธอนั้นนอกจากการเรียนภาควิชาปกติในโรงเรียนแล้วนะคะ หลังเลิกเรียนเธอก็จะต้องเดินทางไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเพื่อไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาโดยเด็กหญิงคนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบนี้เป็นประจำทุกวันเพียงแต่ว่าวันนี้เธอต้องพบกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอจะไม่สามารถลืมมันไปได้ง่ายๆเพราะว่าในเส้นทางจากโรงเรียนไปยังศาสนาสถานที่เธอจะต้องไปเรียนต่อ น, นั้นมันจะต้องผ่านป่าเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมไปทั่วจนแสงอาิต ยามเย็นไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นเบื้องล่างได้และเธอก็เดินผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำจนชินค่ะจนไม่คิดนะคะว่ามันจะมีอะไรผิดปกติที่จะสามารถออกมาทําร้ายเธอได้ในช่วงที่เธอเลิกเรียนวิชาศาสนาแล้วเธอก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านด้วยการเดินย้อนกลับมาอย่างเส้นทางเดิม ตอนนี้บรรยากาศมันก็เริ่มจะมืดแล้วและเธอเองก็เดินทางเพียงลําพังนั่นก็เป็นเพราะว่ามีเพียงแค่ตัวเธอเท่านั้นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้เดินกลับบ้านทันใดนั้นเองค่ะเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังกระโดดตามหลังเธอมาเป็นจังหวะเมื่อเธอลองก้าวเท้าให้ช้าลงเสียงกระโดดนั้นมันก็ค่อยๆเบาลงตามและถ้าเธอลองเร่งฝีเท้าขึ้นเจ้าเสียงกระโดดนั้นก็จะเร่งถี่แล้วก็ดังขึ้น จนทำให้เธอเริ่มรู้สึกกังวลใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่กําลังกระโดดตามหลังเธอมานั้นมันคืออะไรกันแน่จะหันหลังกลับไปมองตอนนี้ก็ไม่กล้าค่ะเพราะว่าระยะทางจากตรงนี้มันก็ยังไกลาจากบ้านค่อนข้างมากนั่นก็เลยทําให้เธอต้องพยายามข่มใจรีบเดินทางต่อไปโดยหวังนะคะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่ง เสียงกระโดดนี้มันก็คงจะหายไปเองแต่จนแล้วจนรอดนะคะเสียงกระโดดนั้นมันก็ยังคงกระโดดดังตามหลังเธอมาเรื่อยๆค่ะราวกับว่ามันกําลังต้องการอะไรบางอย่างจากเธอจนในที่สุดเธอก็เดินทางมาถึงจุดที่เธอมั่นใจข่าวว่ามันน่าจะเหลือระยะทางอีกเพียงนิดเดียวก็จะได้กลับถึงบ้านกันแล้วนั่นก็เลยทําให้เธอตัดสินใจหันหลังกลับไปมองดูอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าสิ่งที่มันกําลังกระโดดตามเธอมานั้นมันคืออะไรกันแน่ และสิ่งที่เธอได้เห็นกับตาของเธอก็คือร่างของเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะถูกพันด้วยผ้าขาวแล้วก็มีเชือกมัดอยู่ที่บริเวณปลายผ้าเหนือศีรษะแล้วก็ลำคอแล้วก็ปลายเทา้า เมื่อเห็นดังนั้นเด็กน้อยไม่ต้องคิดคำนวณอะไรให้มากมาอีกต่อไปเธอตัดสินใจออกวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้เธอสามารถหลุดพ้นจากไอ้เจ้าผีเด็กตัวนี้ค่ะแต่ยิ่งวิ่งเท่าไหร่ความหวังที่จะหนีให้พ้นของเธอมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าเสียงกระโดดของมันยังคงไล่ตามหลังเธอมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจะสิ้นหวังอย่างไรก็ตามค่ะเด็กหญิงก็ต้องหนีต่อไป เธอพยายามวิ่งออกไปนอกเส้นทางบ้างหลบซ้ายหลบขวาให้ผีกระโดดตามมาไม่ทันบ้างวิ่งกระโดดข้ามลำธารทะลุเข้าพงไม้รกๆแล้ววิ่งหน้าตั้งต่อไปจนในที่สุดเธอก็สามารถวิ่งมาถึงหน้าบ้านของตัวเองได้อย่างที่ไม่เคยใช้เวลาในครั้งไหนนานเท่าครั้งนี้มาก่อนตอนนี้เสียงกระโดดของมันก็หายไปแล้วนะคะเด็กหญิงก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าบ้านล้างเท้าเสร็จแล้วก็รีบอาบน้าแล้วก็เข้านอนทันที พอรุ่งเช้าเด็กหญิงก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ของเธอฟังและเมื่อคุณแม่ได้ฟังประสบการณ์ของลูกสาวที่เพิ่งจะพบเจอมาในช่วงเดินทางเมื่อคืนจนจบค่ะคุณแม่ก็บอกกับเธอว่าเจ้าผีที่กระโดดตามหลังเธอมาตลอดทางนั้นก็คือผีโพคองนั่นเองและได้บอกกับเด็กหญิงอีกนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคําบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่เอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราได้เจอกับผีโพคองแล้วล่ะก็เรา ก็ต้องพยายามสลัดความกลัวออกไปให้ได้จากนั้นเราก็ต้องเข้าไปกอดศพของมันแล้วเราต้องพยายามแก้มัดเชือกที่มัดอยู่บริเวณปลายผ้าห่อศพด้านบนศีรษะออกให้ได้ซึ่งถ้าเราทําได้สําเร็จนะคะวิญญาณของเจ้าผีโพคองตัวนั้นก็จะเป็นอิสระสามารถไปสู่สุขติได้นั่นเองค่ะ ซึ่งเราเองก็ไม่รู้นะฮะว่าหลังจากนั้นมาเด็กหญิงคนนั้นจะได้พบกับผีโพคองอีกเป็นครั้งที่สองหรือไม่และเราก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเด็กหญิงคนนั้นจะสามารถปลดปล่อยวิญญาณของผีโพกองได้สาเร็จหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเราอันนี้คงต้องแล้วแต่นะคะว่าใครจะสามารถทำใจช่วยเหลือปลดปล่อยวิญญาณของมันกันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองและถ้าเราโชคดีได้เจอกับผีโพกองมากระโดดตามหลังเราแบบเด็กหญิงคนนี้ ก็มีคนแนะนําวิธีที่จะสามารถหลุดรอดจากการกระโดดตามหลังของมันไว้2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือให้เราเนี่ยรีบนอนหมอบแกล้งตายส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิ่งป่าราบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็เลิกตามเราไปเองซึ่งมันก็แล้วแต่นะคะว่าคุณผู้ฟังอยากจะใช้วิธีไหนส่วนผู้บรรยายนั้นเลือกขอไม่เดินออกไปไหนในยามค่ําคืนจะดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยตัวใครตัวมันจริงๆ ผีโพคงนั้นถือว่าเป็นตำนานเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศอินโดนีเซียโดยมันได้ถูกนํามาสร้างเป็นภา พ, พยนตร์สยองขวัญออกฉายตามสถานีโทรทัศน์ตลอดมาแล้วก็มีผู้คนมากมายค่ะส่งคลิปการพบเจอผีโพคงส่งเข้าไปในรายการโทรทัศน์แนวผีผีของประเทศอินโดนีเซียกันมากมายจนในที่สุดค่ะโพคงก็ได้กลายเป็นภา พ, พยนตร์ออกฉายไปตามโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในปีคริสตศักราชสอง ในชื่อเรื่องโพคองกำกับการแสดงโดยร so ูดี้โซจาวโค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของผีในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนะะี่ะเรียกว่าเป็นตำนานที่หลายๆคนอาจจะรู้นะฮะว่าผีโพคองคืออะไรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่าโพคองคืออะไรแล้วผีโพคองเนี่ยเป็นของประเทศอะไรนั่นเองค่ะ จบจากผีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเรื่องของผีโพคองกันแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันที่ผีโออิวะค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวสวยนางหนึ่งนี่แหละอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ประเทศญี่ปุ่น โออิวะนี่คือชื่อของผู้หญิงคนนี้นะคะเมื่อโออิวะได้พบรักแล้วก็แต่งงานกันกันกบอีเมมอนซามูไรผู้ยากจนจนใครๆต่างก็อิจฉาคู่นี้ค่ะแต่แล้วเวลาแห่งความสุขก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่ออีเมมอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่จริงแล้วอีเมมอนเนี่ยไม่ได้รักโออิวะแม้แต่น้อยนะ ที่เขาแต่งงานด้วยก็เพราะว่าหวังทรัพย์สมบัติของเธอเท่านั้นยิ่งระยะหลังความเบื่อหน่ายในตัวภรรยาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอีเอมอนเนี่ยได้พบกับสาวสวยคนใหม่ที่ชื่อว่าโออุเมะนะคะพวกเขาทั้งสองก็เลยวางแผนจะแต่งงานกันแต่ติดที่อีเอมอนเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วเมื่อทําตามความปรารถนาไม่ได้อีเอมอนก็เลยจัดการวางแผนกาจัดภรรยาที่เป็นตัวขัดขวางความสุขของเขาด้วยการวางยาพิษ โอีวะที่รักและเชื่อใจสามีมาโดยตลอดไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากำลังจะโดนสามีหักหลังก็เลยกินยาพิษเข้าไปทุกวันทุกวันจนทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมหน้าตาที่สะสวยก็เปลี่ยนไปเป็นคนอัปลักษณ์ แต่จนแล้วจนรอดค่ะโออิวะก็ไม่ตายสถทีอีเอมอนอดรนทนต่อไปไม่ไหวแล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจผลักโออิวะตกหน้าผาตายในที่สุดเขาก็เป็นอิสระนะคะแล้วก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันกันกบโออูเมะในที่สุดค่ะในคืนแต่งงานที่อีเอมอนกระหยิ่มยิ้มย่องในใจอยู่นั่นเองอยู่ๆเขาก็มองเห็นโคมไฟเปลี่ยนเป็นหน้าตาอัปลักษณ์ของโออิวะเขาตกใจมากก็เลยหยิบดาบมาฟัน แต่แล้วสิ่งที่เอมอนเห็นกลับไม่ใช่หัวของผีภรรยาเก่าค่ะแต่เป็นร่างของโอุเมะภรยาคนใหม่ต่างหากเอมอนเนี่ยเรียกว่าช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ว่ายิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าหัวของโออิวะก็ยิ่งตามไปหลอกหลอนเขาถูกที่สุดท้ายค่ะอเอมอนก็ถูกพบเป็นศพอยู่ที่หน้าผาเดียวกันกับโออิวะที่ตายนะคะ ปริศนาการตายของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ถูกกลือกันไปว่าเป็นแรงพยาบาทและก็การกลับมาแก้แค้นของโออิวะชาวบ้านจึงตัดสินใจสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของโออิวะมาไว้ปัจจุบันศาลเจ้าโออิวะนี้ตั้งอยู่ในย่านโยทสิยะซันโจเมในชินจูกุนี่เองนะคะ ตำนานของโออิวะถูกนำมาสร้างเป็นภา พ, พยนตร์เป็นละครแล้วก็เป็นแอนิเมชันหลาย1ิครั้งและทุกครั้งที่นำเรื่องนี้มาสร้างนักแสดงและทีมงานจะต้องมาทำพิธีขอขมาลาโทษที่ศาลเจ้าเสมอไม่เช่นนั้นก็จะเกิดโชครายขึ้นอย่างที่เคยมีข่าวนะคะว่านักแสดงหญิงคนหนึ่งในเรื่องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต ทีมงานคนหนึ่งค่าตัวตายหรืออยู่ๆโคมไฟก็ตกลงมาโดยไม่มีสาเหตุจนทำให้คนในกองได้รับบาดเจ็บไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะสำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าเอโออิวะเนี่ยเป็นใครเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันคล้ายคลึง ก, กันกับในประเทศไทย จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นตำนานในประเทศไทยก็คือผีแม่นาคพระขนงที่ทั้งหลอนทั้งเศร้าและถูกนํามาทําเป็นละครแล้วก็ภาพยนตร์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนของญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องจริงที่โด่งดังของผีโออีวะที่ถูกนํามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้งจนเรื่องเล่าเพียเพ้ยนๆไปหลายแบบเป็นผีญี่ปุ่นที่น่าสงสารจากความรักที่ไม่สมหวังจนนํามาสู่การแก้แค้นแล้วก็การหลอกหลอนนั่นเองค่ะแต่จะพูดถึงแล้วถ้าหากว่า เปรียบเสมือนกับผีแม่นาคพระขนงก็จะไม่ใช่เลยสทัทีเดียวเพราะว่าแม่นาคพระขนงนั้นเนี่ยจะตายท้องกลมนะคะซึ่งสามีของแม่นาคพระขนงเองเนี่ยนะคะก็ไปเป็นทหารแต่ว่าเรื่องของผีโออีวะเนี่ยเขาโดนสามีฆ่าเพื่อที่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวตำนานความเชื่อเรื่องราวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะคะก็คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกันวันนี้เราก็เอาผีฮันตูโพคองของอินโดนีเซียแล้วก็ผีโออีวะของประเทศญี่ปุ่นนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ